วันนี้สัพพุธรรมะอยู่ต่างถนะิ่นการสพพุทธรรมะที่ใช้สัพพุทธานมาโดยส่วนใหญ่ก็พูดในวันธรรมสะสวรรคคือวันพระวันขีนและก็มีพวกพระว่าจัดโยมากระดัดรัางฟังด้วยส่วนพวกเราภายใน เป็นนักปฏิบัติโยธันมในคอยได้พูดกันอย่างมั่นคงที่พูดไปตามแแนวของคารวาโดยส่วนใหญ่ก็ส่งเสริมศรัทธาศาสนาของเขาส่วนด้านจิตใจภายในที่ผูกประปฏิบัติในคอยได้พูดถึงเนื่องจากคารวะที่เขามาเขาก็อ เาคอยดูสนใจภาวนากัฉะนั้นพวกเราถึงเป็นนักปฏิบัติอยู่วัดรวมกันตั้งแน่สบายเกิดพราวว่าออกมาบวชเป็นพระที่สุสา ม, มาเนินในศาสนามุ่งแน้าปฏิบัติตัวของตัวเกิดขังหลุดพ้นใจจากทุกข์นี่เป็นสุด ความึกใหญ่แต่ความตั้งใจของผู้มุ่งอยากจะคนทุกจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ข้อนี้อยู่กับจิตใจของพวกเราท่านทุกคนที่ยังไม่เห็นผลจากขอวัดปฏิบัตจิจากอัตจากธรคือเราศึกษาหรือปฏิบัติ เกิดนั้นจิตใจจึงหลุ่มหลุมดอนดอนสูงๆูงต่ำๆ่ำทำบ้างไม่ทำบ้าง <c oughs> ไม่เอาจิตเอาใจฟักใสในพอวัดปฏิบัติอย่างจริงจัง้าพวกคนมุ่งหน้าอยากจะ พ, พกึกผักวเชาเจ้าซึ่งเป็นครูอาจารย์ของโลกเคยแนะนำคำสอนหรือปฏิบัติพระองค์มาด้วยพระองค์เองอย่างไร ควรพวกเราจะตั้งใจดันแนนตามส่องแถวเนวทางเบบสมบัดิที่พระพุทธเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาในเช่นนั้นจิตใจของพวกเราท่านนับวันจะต่ำช้ารามะกเพราะการมาบวชเป็นพระที่สุตามเณนยอยู่ในศาสนาอาหารการขบขันตลอดถึงขานุ่งขางห่มและที่อยู่ที่อาศัยเป็นมาจาก อำนจาจศัทรูของชาวบ้านหามาให้แต่เมื่อครบถันหรืออยู่ไปเด็กไม่ตังต้งใจปฏิเสธปฏิบัติจิตใจก่นบาวันต่ำตามลงไปเพราะการงานด้านอื่นไม่ค่อยดีบังคับทางกายเท่าไรใจของพวกเราสร้างห่างสร้างใจมีเร็วลรยจิตใจจะบังคับบัญชา ด่านตายก็ยอมลำบากเนื่องจากว่าจิตใจก็มีที่เลือตส่วนเครื่องเชือดชูพิเลตคือร่างกายกลมแั้งแรงบริบูรณ์เหมือนกันกับว่าส่วนมีอาวุธสําคัญในมือของเขาจะใช้ต้นที่หาตีที่ไห น, นได้สะดวกส บ, บายก็าอาใช้เครื่องมือที่เเสื่อมัน่น ในตัวของเขาทั้นใดจิตใจของพวกเรา้าแหกบวชเข้ามาในตั้งแน้าตั้งตาอบรมภาวนาไม่ัางหน้าต่งางตาศึกษาต่อทุกปฏิบัติจริงจังจึงและนอนอเล่นเล่นเพลดเพลินจิตอ่านตามสัญญาอารมณ์ต่างๆโดยในมือขอบเขตของพระของเนของธรรของดีในจิตใจที่ลอยลอยไปตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้น จะจับมาเป็นผ้าวสุกแสะตัวข้องตัวอยู่วัดอยู่วังยินข้าสุกลาตายแทนที่จะสะดวกสบายภายในจิตในใจแต่ไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจของผู้ไม่ปฏิบัติตั้งมันในศีนจสมาธิตันอย่างเมื่อกำลังแค่งกายดูขึ้นจะเกิดที่เหลือตันแหาท่วมทักจิตใจไม่มีวันมีเวลาที่จะ สะดวกสบายทุกอันแต่แต่เรื่องภายนอกทําให้จิตใจเหเห่มไปในทางด่านที่เหลือปัญหาเป็นพระเป็นเนรแต่เพื่แต่ถ้าว่าจิตใจไหลลงไปสู่คารวะทุกด้านทุกมุมจป็นโจรเนมารสำหรับต้นที่ไปในเพื่อตรงกันข้ามไปเห็นสถานชื่อใดก็มุ่งหวังในใจว่าเขาจะ รักใจชอบตนและชิดไปในแง่คือในเป็นธรรมเป็ น, นยีในสั่งๆในรูปในเสียงเหล่า น, นั้นจนตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเดือดร้อนวุ่นวายเห็นแล้วนำมาสู่วัดสู่วาสูที่อยู่ที่อาศัยชิดปงไปแต่เรื่องภายนอกส่วนถู้สมาธิปัญญาเป็นอย่างไรไม่ค่อยิทดที่จมา ในใจในใจของคนทางแห่งบุคคลผู้ที่ปล่อยใจไปอย่างนั้นเป็นเหิดให้จิตใจเกิดความสังเิชสลดใจหรือเป็นเหิดให้จิตใจสว่างสวัยสงบเย็นคนทั่วไปในโลกก็ไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะจุดข้องในโลกได้จะต้องไปพันิุพาน์านกันหมดนี่ในเส้นด่างนั้นการบวชที่จะเป็นพระเป็นเ น, นที่ดีมีศีลมีธรรมท่านต้องบงังคับ บันชาใาจรายใจใจแขง็งขันให้ตั้งแน่ตัางตาแต่พเพื่อปะิบัับรักษาจินืีคือตาหจูจ ม, มูกกลิ้งใจใจขง็งทนไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นเละและสัมผัสต่างๆมันระวังรักษาไม่ให้จิตวกแรกวกบนไปสู่สัญญาอารมณ์สายต่ำชีนิตทุจรณะทา ส่งนครบาอาจารย์เคแนะนำพำมสอนเดินจงกรมภาวนาตั้งหน้าตั้งตามีสติตันดาแนะสอนตัวข้องตัวสม่ำเสมอเพราะการบวชมาทางแหงไม่ศึกษาและละทั่วบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจิตใจก็จะไม่เป็นไปเกื่อความสุขความเจริญอยู่ในวัดก็แักแต่ตายเกินจิดใจ ไหลไปสูส่แท้ว่าคือบ้านคือช่องต่างสถ้าเราควบคุมรักษาตายรายใจใจของเราสังมนระวังมีสติรักษาอยู่ทุกการทุกเวลาวามคิดอ่านพุ่งช้าไปในทางต่ำเหน็นมากเป็นทางที่ไม่ถูกทำไม่ถูกวนินัยเป็นไปเพื่อความวดช้าลามกสัตว์ประามเขาก่อคิดได้ คนในบ้างในช่องซึ่งไม่เป็นนักบวชเขาก่อชุด้างส่วนเราเป็นอุดมเทศคือเป็นเทศของสมัยเนะีเป็นเทศของนักบวชควรอย่างไรควรจะตั้งหยุดตั้งใจทินี่พิจาราอะไรเพื่อจิตใจของเราจะมีเสื่อมยื่อเส่อมอาศัยและบดำ เ, เพ็นเพียนภาวนาละอารมณ์ที่ชั่วออกจากตัวของตัวส่วนกรรมฐานหรือบทธรรม เพื่อจะนำจึตนำใจคงตนใส่ใจสงบเป็นสมาธิด้วยอุบายที่คือย่างไรบังทับใจองตนใส่เป็นจิตใจได้รับความลงรวมเกิดความสว่างสวยเคลิอัศจรรย์นในการปฏริบัติภายในเพื่อมัน่นว่าคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีนับมีผลยังคงเสน้นคงวาเป็นอาการลิโกอยู่ไม่มีการเสื่อมสลายไปตามการตามเวลา ยังคงถือดีงามอยู่ทุกสิก่งทุกอย่างเพราะเราปฏิบัติปฏิบัติจนใสจัด้ในใจิตในใจของคนเด่ น, พ, นพัดในการปฏิบัติปฏิบัติของตัวเองจิตแต่ก่อนใช้ฟุ้งสรางลำคาเรเหลือที่เหลือกันหามานะชิชิต่างๆแต่เมื่อมาจิ น, จะะ น, นจตุจารยามาทำความ่าดความเทียนมีสติปัญญาอบรมบ่มใจ <c oughs> จิตของเราใจสงบเข้าไปเรีงรวมมากด้จนถึงแต่ว่าเกิดความอัต จ, จันใจไปจากทับเกินความสุขสิโลกข้าติดอยู่ทั่วโลกเราพอที่นี้ที่จะแน่ได้แบบทันโลกทั่วไปที่ข่องที่จิตกันจิตอะไรก็คือจิตเรื่อ ง, งมสมมติจิตเรื่องี่เหลืสตันแข แต่ที่เหลือปัญหาที่จะนำพาจิตให้สุขให้สบายตามความมุ่งหมายศาสนาของเขาคือเขาเป็นอยู่ทั่วไปในโลกเราได้ี่นชมเจ้านาดูว่าเขามีความสุขเหลือทรัพย์สมบัตมีความสุขเหลือการมีขู่ควางอย่างไรเราคอขทอปจับใจว่าเขาไม่มีความสุขแต่เสรจ เนรลอ ย, อย่างเราที่มีจิตใจมั่นคงอย่างลงสู่ความสงบเมื่อ เ, เราเชื่อเราเห็นเราเป็นในตัวอย่างนี้พอเชื่อได้กับเรื่องของโลกว่าไม่ควรจะไปวุ่นวายไม่ควรจะไปติดข้องเพราะความสุขทุกคนต้องกล้าทนะคือเขารุ่มหลงหรือมัวเมามื่มนด้วย าัแหาอลิชาต่างๆจี่เขาหลงกันนิยมกันติดตันทั่วโลกเพราะไม่เห็นธรรมเบื้องต่อเสดที่เรารู้เราเห็นนี้ถ้านห้ทุกคนรู้เห็นเป็นขึ้นอย่างเราที่เป็นอยู่เห็นดูเขาก็คงจกไม่มีความกานาไปฝันไปในเสดอย่างนั้นหรืออารมอย่างนั้นไปจัได้จิดในใจ ของนะักต่อเพื่ปฏิบัติอย่างนั้นเมือ่อจิตไปจากเหนทับในการต่เพื่ปฏิบัติท้องเป็นแล้วตัดาความเชื่อในการแต่ทําบำเพ็ญดุริยาความผ่าเทียนเทวาาจะต้องตึดตามคำรู้ความเห็นที่เดินทับภายในใจทุกวันทุกเวลาทุกดุริยาบท การกำหนดจิตใจการแต่เทิ่มแต่ปฏบัติำระแก้ไขฝ่ายต่ำฝายพั้วจะต้องมีในตัวเป็นอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบ <trendy Sant orum> ัต <rec practices> <oo> ิก็เป็นไปเองเพราะเหตุใดเพราะเรื่องของใจรู้เรื่องของใจเห็นเรื่องของใจเดินในอัตในธรรมเรื่องของาจและรายจ่าก็จะต้องเจ้า ตามเรื่องของใจไปพราะใจเป็นหัวแน่ใจเป็นผู้นําพาเรื่องใจรายใจ้าใจไม่เห็นอย่างนั้นการะฏิบับของพวกเราท่านก็นับวันจะจีดใจดื้อไปผลคือสุดรักษาเถิดสมณะไม่ได้ขาเลี้ยงไม่เป็นของสําคัญเรื่องออกเมื่อใดก็ได้ไม่เป็นของสําคัญอะไรเพราะในสุดบ้านงานต้องเช็เข้าขาย มากมาตายกองตังที่เราหนึ่งเราหมอยู่ไว้อีกส่วนที่สำคัญคือจิตใจของพวกเราท่านเป็นอับเป็นคำถึงถ้าจะไม่เหลืองก่อตังแต่คนงามความดีอัดคำมีอยู่ในจิตในใจเมื่อมันเป็นบริบูรณ์ขึ้นสมควรเมื่อใดมันก็จะเปลืองผ้าดำผ่าขาวผ่าแดง หรือผ่าเฉียต่างๆออกจ้เพราะจิตใจเห็นอัศจรรย์นในเรื่องธรรมธรรมจึงเป็นของสัาคันที่พวกเราท่านทุกคนไม่ควรมองข้ามควรจะประพฏิบัติให้เกิดให้เป็นให้เห็นไปจากในจิตในใจและเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องควรอย่างยิ่งเพราะเราก่อเป็นเพื่อนัก บ, บวชสถานที่อยู่ที่อาศัยก็เงียบใสงบกามงนภายในวัด ก็ไม่มีอะไรผัดข้ของนี่จะหน้าที่จะต้องเดินจงกรมภาวนาพิทธะณาสมาฐานคิดอ่านอับทำเพื่อสอนจิต้อนใจของตนไม่อย่างนั้นจะไปคอยวันคอยคืนคอยปีคอยเดือนทำให้จะไม่มีการใดเวลาใดจะไปสดพบเห็นความสุขห ย, ยัดเยินภายในใจครับพวกเราไม่สอนตัวอย่างนี้ การแต่พืชปฏิบัติก็จะเป็นสุ่มสี่สุม่มห้ไม่ตั้งหน้าตั้งาทางแต่พืชปฏิบัติกันจริงจังเมื่อไม่แต่พืชปฏิบัติจริงจังอับทำหรือความสุขความเสริญเรื่องของศาสเสนอะก็จะไม่เกิดขึ้นเพิ่ขึ้ น, นก็เลยสงสัยลังเลการบวชก็ได้บวชแล้วอยู่แล้วเป็นกรรมาฐานกับใครเป็นมาแล้วอยู่กับครูกับอาจารย์องค์ชื่อเท่าสรรเสริญเยินยอว่าเดินได้ส่วน เราก็เคยผ่านมาแล้วไม่เห็นอะไรที่แปลกแตกต่างไม่เห็นอะไรอัศจรรย์มัดผลไม่มีสำหรับการนี้สมัยนี้เพราะเราเคยแต่พฤติปฏิบัติมาแล้วไม่เห็นอะไรความสงสัยภายในใจจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็ไปประาากาศกับคนอื่นแต่ตัวใดแต่พึ่งตัวใดแต่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เห็นผลอะไร แต่การนั่งก็ดีแบบการเดินจงกรมก็ดีแต่ติไม่อยู่กับตัวกับอัดกับทำนั่งเพียงกิริยาเดินแบบเพียงกิริยาแต่ติไม่มีรักษาใจลอยไปสู่อารม์ภายนอกเมื่อเป็นด่างนั้นาการกระทำไม่ว่าแต่จักระทำธรรมด่างจะวิ่งเหมือนหมอก็อตามจิตใจย่ำไม่เป็นไปในทางธรรม ทางด้นานเรนหยุดไปใจใน เ, นเรื่องสมาธิถ้าหากเรามีสติกัญญาที่จะนาตัวของเราไม่ปล่อยให้สัญญาอารมณ์ภายนอกลั่วไหลเข้ามาและไม่ปล่อยใจของเราให้ไปสังคมกับสัญญาอารมณ์ภายนอกเอาอัดเอาทำเข้าแนะนำทำสอนสม่ำเสมองจุดใจก่อนับวันนับเวลาที่จะสงบเยุดย็นลงไปเหมือนกันกันกบไฟ มีน้ำสาบเข้าไปถึงไฟจะกองใหญ่ตัวหัวถานขนาดไหนถ้าหาดเอาน้ำสราบเข้าไปบ่อยๆไฟนั้นก็จะนัดวันหลีแสงลงหรือดับลงวันที่สุดก็ดับสนิทไม่มีไฟความร้อนอยู่ในสาฐานถี่นั้นฉันใดาจิตใจของพวกเราท่านแททหกวิจจารยาทำสม่ำเสมอก็เหมือนกันกับน้ำที่ดับไฟลาภตันแห สามาถคือจะททำจิตใจของเราท่นานให้เยือกเย็นสงบลงได้ความสงบเป็นพื้นฐานสำคัญคือท้จจาวพุทธเจ้ารงแนะนำคำสอน้างหาไม่ตสงบเสียก่อนจะไปคิด อ, อ่าาเรื่องอืนอ่นคที่แ ย, ยกถ่ายรืละเอียดย่อมที่จี้ทุกรณาไม่ถึงเพราะความสงบยังไม่มีเหมือน ก, นกันกับคนวิ่ง เ ร, เร็วเรือนั่งรถไปจะดูตามถนนห้องางหรือสิงปลูกสั้างต่งๆไม่ถนัดพับเกินเพราะรถมันวิ่งเร็วถ้าหากนั่งดูหยุดรถดูจะต้องรู้ต้องเห็นสิ่งต่างๆละเอียดและออเข้าไปว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนสันใดจิตของพวกเราท่านท่าเหว่าไม่มีสมาธิไม่มีสัน ตั้งมั่นในมีความสงบจิตเสียก่อนการพิจารณาอันอื่นก็กลายเป็นสัญญาไปหมดไม่สามารถที่จะจบเอื่องเรื่องที่เหลือตันแหาออกจากจิตจากใจได้เหิดนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพรมสอนพวกเราทำใข้ตั้งแน่ตั้งฟังต่บที่ปฏิบัติเพราะวันเวลาที่่านไปยิทชัยว่าจะ่านไปแต่วันเวลาต่อตาชีวิตของพวกเราก็คอย หมดไปหมดไปทุกวันทุกเวลางแต่ตอนเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างไรเราสอพอที่จารณาได้ว่าธาตุขันธ์องเรานบวันเสียเท่าเข้าไปผลที่สุดก็จะต้องถึงความลมหาตายไปเมื่อเราไม่มีอะไรภายในจิตในใจจะปราศชนะสวรรค์ น, นิพพานจะปราศชนะกันอย่างไรเพราะปัจจุบันจิตเราเป็นอยู่เราก็ไม่มีอะไรภายในจิตในใจจิตใจไม่เคยได้รับความสุขความสงบ ทางหากเรามีความสุขความสงบแล้วเรื่องการปราถนาใน่ปราถนาไม่เป็นของสําคัญเพราะเราจะต้องได้ต้องถึงอยู่อย่างแน่นอนทางหากเราฝึกเราอบรมตัวของเราเป็นขึ้นเห็นฝึกภายในตัวแล้วนี่เรามองข้ามอยากได้แต่ความสุขความสบายแต่เหือที่จะให้เกิดความสุขความสบายเป็นอย่างไร พระพุธธพทธเจ้ า, จา ก, ก็าดีครูบาอาจารย์ท่านกี่มีธรรมมีวินัยมีจิตใจสูงเด่นกว่าสัตวโลกก็เพราะท่านฝึกฝนทรมานตัวของท่านมาอย่างหนักแน่นเต็มรู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวของท่านโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ท่านไม่ได้ฝึกอบรมแต่จิตของท่านดีขึ้นเองเต็นขึ้นเองเด่นขึ้นเอง ถ้ะมันเป็นอย่างนั้นคนอายุแก่ทั่วไปในราประเทศใดจะต้องมีความสุขใจเพราะอายุแก่แล้วอดอกผลก็เกิดขึ้นจากความแก่ของมันมักผลกเกิดขึ้นจากความแก่ของมันสีน้าลเกิดขึ้นจากความแก่ของมันเหมือนผลไม้ที่ปลูกลงไว้พอมันแก่ขึ้นมาดอกผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้น มี่ในเป็นเช่นนั้นเรื่องของธรรมของยี่ในจะแก่เท่าไร่วนจะตายเท่าไรก่อตามหากเราไม่อดรวมศึกษาไม่ที่นิเทศนะไม่สร้างเหตุทางดีแล้วส่วนความสูุกความสบายของจิตของใจก็ไม่มีวันมีเวลาจะประสบพบเห็นพระพุทธเจา้าทรงแนะสอนพวกเราให้แะ่เพิกปฏิบัติถิมทำ เรีอกว่ามาัคคือเหตดเมื่อมัคคือเหตดในการต่อพิสัยปฏิบัติดีทางกายก็เป็นไปด้วยดีมีศีลเป็นเครื่องใส่จาทางวาจาก็เป็นไปด้วยดีมีการรักษาระวังทางใจก็มีสติปัญญาอบรมแมะสอนอยู่บ่อยเมื่อเราสร้างเหตุ ด, ดีอย่างนี้ความดีคือความสางบจะต้องประสบ ในตัวของเราเองเมื่อสงบแล้วที่เจรนาอะไรผาดุขันซึ่งสันโลกหลงกันว่าสวยงามอย่างนั้นสวยงามอย่างนี้ดีเด่นอย่างนั้นดีเด่นอย่างนี้ความหลงในส่นวนเหล่านี้จะไม่มีในจิตในใจถ้าใจสงบที่เจรนาเห็นเด่นชัดจากที่เจรนาเป็นเรื่องปฏิปุ้นสุภอาัคคัณก็ไปจากในจิตในใจเห็นเป็นจริงอย่างนั้น จิตใจเมื่อเห็นเด่นชัดอย่างนั้นก็ไม่าาก้าสามารถที่จะไปลุ่มหลงว่าสวยงามเหมือนกันกับบุคคลที่เห็นของปฏิกูลภายนอกเชื่อมต่รว่าเลือดเนื้อต่างๆหรือของเน่าของเหม็นต่างๆเห็นไปจากชัดตาแล้วก็ไม่มีการหลงว่าของนั้นเป็นของสวยงามของนั้นเป็นของดีมีคุณค่าขันไหลจิตใจเมื่อพิจะเลนาะ แยกทายเห็นแตจากชาติเก็ฑในเรื่องของร่างกายก็ไม่มีการติดการของการลุ่มการหลงในรูปกายอีกต่อไปส่วนเขาจะหลงกันเท่าไรเราก็ไม่หลงตามเขาเขาตายแต่เราไม่ตายก็ยังดีเขาเจนแต่เราไม่จนอย่างเขาก็ยังดีเขาทุกแต่เรามีความสุขก็ยังดีเรื่อนนั้นความดีก็คือการสร้างเหิดให้ดี เสียก่อนจึงจะได้รับผลดีนีใช่ว่าความดีจะลอยมาจากที่อืน่นมาเกาะมาติดในจิตในใจของเราหากเราท่านรู้จักว่าความดีทุกขั้นทุกส่วนเกิดขึ้นจากเหตุคืขอขวาวัดปฏิบัติการ ต, งตังหน้าตั้งๆาอบรมภาวนาจึงจะเกิดมาเกิดผลขึ้นได้ก่อเดียวนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา ควรจะทำอย่างไรเพราะเพื่อของเราก็เป็นเพื่อของสมณะเพื่ของพระเพื่ของเนนเป็นอุดมเพื่อเป็นเพื่อชี่โดยเสดเป็นเพื่อชีวะบุตรเทวาดังหรือยินสมยอมยักษ์กราบว่าคารวะญาติโยมเขาบูชาเพราะอำนาจเพื่อส่วนนี้ทางอาคมมองเห็นจิตเห็นใจของเราส่วนชาลามบดเขามียานภายในมองเห็นมาลัยจิตของพระเนน เป็นไปอย่างไรได้ชัดเจนเราจะไม่ละอายเขานรจิตใจตัวเราปล่อยลอยลมไปอย่างนั้นให้มีสติปัญญาแนะสอนตัวของตัวอย่างนั้นเพื่อจิตของตัวจะไม่รั่วไหลไปในฝ่ายต่ําหากไม่มีการแนะสอนไม่มีการอบรมตัวแล้วจะให้มันดีขึ้นไปดีไปไม่ได้ พราะของดีไม่ว่าสังแต่ด้านศีลธรรมด้านเขาโลกก็เหมือนกันจะต้องก่างสร้างเอาจึงจะดีขึ้นได้ของดีเกิดขึ้นจากการก่อสร้างบางเรียนจะดีะก็เพราะการก่อสร้างวัตถเุเข้าของจะดีผ้านุ่งผ้าห่มจะดีะก็เพราะการก่อสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเป็นมาเองก่อสร้างขึ้นมาแล้วถ้าไม่รักษาดีของเหล่านั้นก็อสมรู้ทึ้ท้อมไป ก่อกรกตกไปเหนียงสาเหนียงโค้งขึ้นสองใดาาําระสากกออีกรักษาดีชั้นใดกายวายใจของพวกเราที่เข้ามาบวชเป็นพระที่สู่สามะเนรหาใหม่ชำระสาสางในต่างนาจัางตาพิริจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะกล่าวหน้าหรือเจริญเกิความสุขยืนแต่วันจะอับเข่าเลื่อยไปผลที่สุดก็ไม่ อยู่ในศาสนาไม่ได้ตกไปเป็นครหัาสจ่าโยมตกไปตามกิเลสตัณหาที่ปรุงไว้ภายในใจของเป็นแล้วจะไปหาความสุขความสบายจากคฆราวาสข้าหาดเป็นฆร า, าวาสมีความสุขความสบายมีความดีเด่นแต่เศษดีเศษแล้วถ้าพุทธเจ้าแผ่นสมบูรณ์พูนสุขเบลลาบเยอะแนละเอียดทุกถึง ท, ทุกอย่างพระองค์มีเพียงฟอบอ่อีบุญเป็นกายสัตย์ ทังองคเงินทองเข่าของอะไรทุกอย่างสมบูรณ์พลิสุขแต่ท่านเห็นว่าความสุขส่วนนี้เป็นความสุขที่เจอือด้วยทุกมีอะไรจิใตใจไปยึดมันม่นเือมั่นคลองสึดและสิ่งเหล่านั้นบังคับบัญชาไม่ให้แล้วควรเปลี่ยนแปลงก็บังคับบัญชาไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่อเป็นสิ่นนั้นจิตใจก็จะจ้องวอกแวกเคหันไป ต, ตาม เรื่องวัตถุต่างๆท่านเห็นเดินชัด ท, ที่ท่านปฏิบัติเป็นค า, าวาะมาคุ้มครองรักษาหาความสุขในารารวาอยางเมื่อท่านมานปฏิบัติอาทธรรมจนรู้แจ้งแทงตลอดถึงเรมุที่สุดของธรรมพระองค์จะนั่งจะนอนอยู่สถานที่ใดมีความสุขใจอย่างประเสริฐเลินลอย แล้วความสุขคือพระองค์ประสบพาเห็นเป็นความสุขที่เด่นชัดไม่มีความอยากในจิตในใจอะไรอีกต่อไปและเป็นความสุขที่หลุดพ้นใจจากสมมติซึ่งโลกทั่วไปไม่สามารถที่จะทําได้เห็นได้มีเงินเป็น <c oughs> แสนเป็นล้านจะจ้างเขาดูเหมือนเรงหนังโรงละครก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันนอกจากจะปฏิบัติในจิตของท่าน คนนั้นรู้ขึ้นเห็นขึ้นเป็นขึ้นจากตนเองจิตใจชาติรสชาติขอความสุขส่วนนั้นความสุขในความเป็นป จ, จัตเจตตังอย่างนั้นควรพวกเราท่านจะอุตสาห์ <c oughs> พยายามบำเพ็ญตนของตนให้รู้เหือนเจนขึ้นเพราะการนี้ก็ยังไม่สายเกินเวลาพอจะทําได้อย่าไป <c oughs> คิดว่า มรรคผลจะหมดไปห <c oughs> ากรเราปฏิบัติใจใจ <c oughs> อย่างถ้าคุณใช้จ้างเอาจริงเอาจังความรู้ความเห็นความเช่นของเรา <c oughs> ก็จะไปจักขึ้นเมื่อเห็นเช่นกรจักในจิตในใจใคร จ, จ, จะว่ามรรคผลหมดไปเราก็ไม่เชื่อตามเขา และ uk, <c oughs> ใใคำำาวามสุขเดินอย่างไร <c oughs> ไเราก็ประจักในใจของเราอีกเพื่อนนั้นขอพวกท่านทุกคนจงนำธรรมะส่วนนี้ไปี่จิตรเจริญสอนกายรายชาใจคงตนแล้วแต่ทาบำเพ็ญตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้ า, าที่แจงไว้ก็จะพากันไปสุขพบแต่ความสุขความเจริญในอวสานการอธิบายธรรม ขออั น, นาคุณพระาารัตนาจัยทรงคุ้มครองปวกท่านทุกคนให้ไปศกมัดผลนิทานโดยทั่วหน้ากันเทลินเอียง